ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทโดยพ่อท่านโพทิรักเมื่อวันที่11ธันวาคม2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ ะจะเจริญธรรมทุกๆค น, นเราก็มีชีวิตกันอยู่ที่อาตมาว่าพาะเรามีชีวิตกันอยู่ครบทั้งสามขบวนการขบวนการสําคัญของมนุษย์ก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นขบวนการสําคัญเป็นหลักการสําคัญ พวกเราเนี่เป็นกระบวนการคือเป็นกลุ่มที่มีระบบมีะบวนมีระบบมีะบวนมีมูฟเมนต์คือมีสภาพที่มันเป็นอย่างนั้นเรากำหนดไว้ว่าอย่างนั้นและก็จะมีสัดส่วนอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้อะไรเงี้เป็นต้นกาหนดอะไรใดขึ้นมาเหมือนกับขีดเขตขีดกรอบตีกรอบอธิบายจุดตัด อธิบายจุดประสานอะไรกันเอาไว้พออธิบายไว้แล้วก็ทําเป็นแบบเป็นรูปเป็นลักษณะที่เรารู้กันให้เข้าใจกันก็เรียกว่าแบบแผนอะไรเรียกคําทั้งหมดว่าแบบแบบแผนอ่ามันก็จะมีรูปในการที่จะเสนอให้พวกเราได้รู้เป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่าเป็นสิ่งที่จะดําเนินไปอ่าเกิดขึ้นดําเนินไป ไม่ใช่เรื่องอยู่นิ่งมีลักษณะของมันสมบูรณ์สภาพเรียกว่ามูฟเมนต์น่ะเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกไปรวมเป็นว่าขบวนการมันเป็นมูฟเมนต์มันเป็นตัวที่มันดาเนินไปเคลื่อนไปเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นระบบระเบียบเป็นเรื่องราวที่มันได้อะไรใดขึ้นมาแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะ เป็นกลุ่มเป็นก้อนลักษณะขบวนการหรือลักษณมมนเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นระบบเป็นอะไรเกิดขึ้นมาหลายๆอย่างแล้วก็ะสมประสานกันขึ้นมาเป็นกลุ่มจริงๆเลยนะเป็นกลุ่มที่ได้สัตว์ใดส่วนได้อะไรได้ขึ้นมานี่พวกเราได้แล้วมันจากหลักการใหญ่ก็คือปริยัตปฏิบัตปฏิเวทีท่อตมาต้องหยิบตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าพวกเราต้องเห็นความสาคัญ หยิบขึ้นมาพูดเพื่อยืนยันให้เห็นความสำคัญของปริยัติเราจะอวดดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านชมพระอาราหันต์ไม่เบื่อนายในการฟังธรรมขณะท่านาาเป็นอาราหันต์แล้วนะและพวกคุณเป็นใครเนยเน่าเน่าเนยยะบุคคลเน่าเน พระอาหารหันเนี่ยจะมีคุณลักษณะอย่างนั้นจริงเพราะพระอาหารหันต์จะเข้าใจว่าคนเราเนี่จเจริญได้ครบสมบูรณ์ครบสมบูรณ์ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาทั้งปริยัติปริยัติยิ่งสมัยโบราณแล้วไม่มีหรอกตัวหนังสืออย่าอ่านไม่ได้อ่านหรอกมันมีแต่ฟังฟังฟังฟังชี้แจงกันอธิบายกันฟัง ปริยัติจะมีแต่เรื่องฟังเทศเป็นหลักฟังอธิบายการขยายความเพราะฉะนั้นก็ขยันแล้วฟังกันไม่เบื่อผู้ที่รู้สึกเบื่อกับผู้ที่รู้ไม่รู้สึกค่าไม่รู้สึกมีไม่รู้สึกมีค่านะทีนี้ผู้ที่ไม่รู้สึกมีค่านี่ก็เพราะว่ากิเลส ต, ตัวตัวน่ยมันมันมันมันสูงกิเลสอัตตามาณตัวเองมันสูงมันก็เลย ฟังเทศฟังธรรมฟังคนอื่นพูดฟังความคิดของคนอื่นไม่มีค่าตัวเองมันสูงตัวเองมันใหญ่ทีนี้พระอาราหาันเจ้าท่านไม่มีกิเลสอัตตามานนะคนกระจอกงอกง่อยเทศท่านก็ฟังเพราะท่านไม่มีอัตตามานนะท่านก็เห็นเป็นค่าเป็นผลดีเพราะว่าพูดความเหลวหลายพูดความตลกขนองพูดสิ่งที่มันผิดผิดมันก็เป็นความรู้นะความผิดก็เป็นความรู้ ไม่ใช่หมายความว่าความรู้ก็คือความถูกต้องอย่างเดียวความรู้นี่ความผิดก็เป็นความรู้ความบกพร่องก็เป็นความรู้นะความสมบูรณ์ความเจริญงอกงามก็เป็นความรู้ใช่มเพราะฉะนั้นคนจะเทศน์นี่เทศบกพร่องเทศถึงเสียหาเทศถึงผิดผิดอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นความรู้ที่ท่านได้รู้เออคนเราเป็นอย่างนี้ก็มีนะและคิดอย่างนี้ก็มีแสดงออกผิดเลอะเั้งๆที่ท่านคิดไม่ถึงขาดไม่ถึงว่าโอ้โห แสดงความผิดพลาดออกมาไปไ ม, มากมายขนาดนี้ก็มีด้วยนะมันก็เป็นความรู้นะเพราะงั้นเราจะเรียนรู้ไม่ใช่หมาย عد. หมาควาว่าจะเรียนรู้จากผู้ที่เก่งผู้ที่ดีอย่างเดียวผู้ที่ไม่เก่งผู้ที่ไม่ดีแสดงออกจริงๆมันก็เป็นความรู้ที่เราจะได้รู้นะเพราะอาหารจะจ ะ, จ ะ, จะรู้รอบอย่างนี้ท่านจึงไม่เบื่อหน่ายในการฟังธรรมเพราะท่านไม่มีอัตามานะเพราะคนที่ไม่ไม่คอยฟังธรรม เบื่อนายในการฟังธรรมเพราะมีอัตามานะมันไม่ใช่ขี้เกียจอย่างเดียวไอ้ตัวขี้เกียจได้ยกไว้ขี้เกียจได้ยกไวนะไม่ใช่ขี้เกียจหรองตัวหลักตัวหลักมันตัวอัตามานะขี้เกียจมันก็มีหรอกนะก็มีบางคนก็ขี้เกียจใหญ่มันมีอัตมานะเราไปขี้เกียจจนทั้งหลากหามึงเลยไม่อยากฟังดีไอ้ฟังเทศฟังธรรมมันมันดีใช่ไหมแต่มันไม่อยากฟังดีมันก็ขี้เกียจอาการหนักอ่ะ น้อยไม่รับของดีเขาให้ฟรีด้วยไม่เสียสตังเลยยังไม่เอาเนี่ยมันจะเอาอะไรอีกแล้วคนเราอะนะได้ฟรีของดีดีแน่ๆรู้ว่าดีของฟรีด้วยดีด้วยฟรีด้วยไม่เอาโอ้ยตายซะตายสัมซะมันของดีกับบ่เอาของดีของฟรีก็ไม่เอานี่ตายถิมสัาซะไม่ได้เรื่องนะอะอย่างงี้มันก็แน่ๆแล้วคนกเกียตนะ่ะนะ ทีนี้นอกจากขี้เกียจแล้วเนี่ยมันตัวสาคัญนะคือตัวอัตามานะอัตามานะมันไม่มาฟังมันก็มันไม่เข้าใจดังที่อัตมาขยายควาไมไ้ฟังเพราะนั้นยิ่งเป็นพระอาหารหันต์แล้วโอ้ยท่านไม่ไปดูถูกดูแคลงใครหรอกคนเทศจะดีไม่ดีอะไรก็ไม่หวากันไม่ใช่วอกโอ้ยตรงคนนี้เทศเท่านั้นพอท่านมาถึงจะมาฟังเทศคนอื่นเชอะ คนอื่นไม่ต้องนะอย่ามาพูดเลยฉันเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่มีค่าพอฉันก็ไม่อยากฟังอย่างงี้มันอัตตา ม, มานะฝึกสิพยายามลดละอิจ ก, กิเลสอัตตาถ้ามันเกิดอัตตายิ่งดีเรารู้สึกตัวเอ๊ะทำไมเราขี้เกียดทําไมเราไม่อยากไปฟังเรามีเชิงดูถูกดูแคลนดูเชิงที่เราอย่างไม่ไปรับสิ่งที่ดี อาตมาคอยย้ำนะว่าปริยัติเนี่ยมันนําพาคนให้เจริญที่เรียนรู้ศึกษากันทุกวันนี้ในตลาดโลกเรียนมหาวิทยาลัยเรียนอะไรอีกเขามีมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยเสริมเรียนอีกเนี่ยมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิทยาลัยการปกครองวิทยาลัยระดับอะไรเสนาธิการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยอะไรเสริมขึ้นมานี่ก็ตาม หรือแ ม, ม้มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมโรงเรียนปถมอะไรเรียนต่างๆนานาพวกนี้รวนแล้วแต่คือลักษณะปริยัติทางนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเขารู้กันดีทั่วโลกอะปริยัติเรียนตัวภาษาที่จะอธิบายกันซื่อสู่กันฟังขยายความรู้ให้แก่กันรับรู้ไปเดี๋ยวนี้มีโจทย์มีบันทึกแต่ก่อนนี้มีแต่ฟังฟังกับฟังลูกเดียว ไม่มีตัวหนังสือจดบันทึกเดี๋ยวนี้จดบันทึกด้วยอัดเทพด้วยมีอะไรแต่ไรแล้วแต่บันทึกเสียงบันทึกภาพบันทึกอะไรแต่ไรไว้เพื่อที่จะได้ทบทวนเพื่อที่จะได้เรียนต่ออีกรู้เรียนรู้กันอีกก็ดีสรุปแล้วคือปริยัติถ้าไม่เจริญด้วยปริยัติปฏิบัติก็เท่าที่เรามีภูมิเหมือนกบในกะลาครอบกบในกะลาครอบมันก็รู้เท่าที่มันรู้แหะเหมือนปลาในน้ํารู้เท่าที่ตัวเองรู้ ไม่สามารถที่จะรู้กว้างไปกว่า น, นั้นได้นะรู้พิเศษรู้เพิ่มเติมไอ้ที่คนอื่นเ้ารู้คนอื่นเ้าอยู่อีกโลกนึงโดยเฉพาะโลกโลกกุตระไม่มีทางจะได้รู้หรอกหรือแม้แต่โล ก, กีิยามันก็รู้เท่าที่เรารู้ได้มันแคบกบอยู่ในกลาลครอบนะไม่เจริญเพราะเราจะต้องไฝ่ไฟฝ่หาศึกษาสแสวงหารับทราบฟัง การฟังนอกจากเราจะได้ความรู้แล้วเราจะได้เกิดความสัมพันธ์เกิดความสัมพันธ์เกิดลดอัตตามาณเกิดหัดหัดฝึกหัดในการที่จะรับการกระทบสัมผัสหัดรับการกระทบสัมผัสไม่ว่าจะกระทบสัมผัสทางด้านกิริยาหรือวาจาท่าทีอะไรแม้แต่กระแสทางจิตทางใจก็ด้วยอ่ะ มันละเอียดละออกเกินที่จะพูดในกระแสะทางจิตทางใ จ, งใจมันกระทบสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาและเราก็จะต้องรับรู้อ่านมันเป็นโจทย์โจทย์ให้กัเรารับรู้แล้วเราก็ได้ฝึกปรือเป็นการฝึกหัดปฏิบัติไปในตัวเพราะนอกจากจะได้ฟังความรู้เพิ่มเติมแล้วได้ฝึกหัดปฏิบัติในการสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์หรือว่าการสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันรวมกันคบคุณกันเนี่ยเจริญปัญญาเจริญเจโตด้วยทะลสละ กิเลสอัตตามานะคนตนเองเป็นเพราะงั้นะ ก, การเข้ามาร่วมประชุมร่วมมาฟังร่วมกันเนี่ยจึงเกิดประโยชน์ในหลายด้านทั้งในความรู้ทั้งไในการฝึกหัดปฏิบัติลดละอัตตามานะและก็ปรับตัวเองที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีโดยเฉพาะถ้าเอาลึกลงไปอีกก็คือเราได้ลดละกิเลสในการเข้ามาร่วมฟังร่วมสังสรรคร่วมประชุมได้ลดละกิเลสด้วยแน่แน่เพราะงั้นะ ก, การเพิ่มปริยัต โดยเฉพาะเรามีวิธีการอย่างเี้เพิ่มประิยัติโดยการมาประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวเป็นหมู่เป็นหมวดมนเนี่ยเป็นวิธีการของคนมาฟังธรรมเทศนาผู้รู้เทศหรือมารวมกันแล้วก็สัมนาอภิปรายวินิจฉัยอะไรกันไปประชุมกันไปอะไรกันไปก็เกิดสภาพที่จะได้รู้ปริยัติได้รู้ความรู้ทางความรับรู้ทางทักษะในด้านฟังด้าน ความรอบรู้ทางปริยัติขึ้นมานะส่วนปฏิบัตินั้นนะการปฏิบัติเนี่ยเราก็ไปทำเอาเองด้วยหลักโพธิปัจคียธรรมมีสติมีสติปทานสมีสมปทานสมีอิทธิบาท4นี่เป็นตัวหลักในการปฏิบัติ เมื่อเรามีหลักปฏิบัตินี้เราก็จะต้องเข้าใจโพอชิชงเจ็ดเข้าใจมรรคองคปดเพราะโพธิชองเจ็ดมรรองแปดนี้จะต้องเป็นคู่ชีวิตอยู่กับตัวเราเลยไม่ว่าเราจะคิดมรรคองแปดนี้ไม่ว่าเราจะพูดไม่ว่าเราจะมีกรรมกิริยาทุกอย่างในว่ากรรมมันตะกรรมกิริยาทั้งทั้งกายวาจาใจเกิดบทบาทองค์รวมขึ้นมาด้วยอะไรก็แล้วแต่ เราก็จะต้องพยายามรู้มีอิริยาบถใดอย่างไรกรรมกลิยาของมโนกรรมกลิยาของวาจากรรมกริยาของกายและขององค์รวมทั้งหมดที่เกิดเป็นกรรมเป็นกิริยาเป็นกรรมกิริยาออกมาแม้ที่สุดทาการงานกรรมนี่จะเรียกว่าการงานในตัวก็ได้เรียกวกรรมไม่ใช่ลการงาน เสร็จแล้วเราก็เป็นงานที่ประบุว่าเป็นอาชีพคือรับผิดชอบหรือว่างานนี้เป็นงานหลักเป็นงานที่รำเทาเราทำส่วนมากงานที่เราเอาภาระอย่างสำคัญเราเรียกว่าอาชีพงานประจำชีวิตงานหลักของชีวิตคล้ายๆงานอาชีพหรืออาชีวะเราก็ปฏิบัติอยู่ในนี้ให้ครบพร้อมถ้าไม่มีหลักมากองคปตัวปฏิบัติก็คือ4นี่แหละ สังกปะวาจากรรมันตอาชีวะนี่ตัวปฏิบัติโดยเรามีทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจมีความเห็นความเข้าใจจากปริยัติจากการได้ทําความเข้าใจศึกษาปริยัติมาก็ไม่เป็นทิฏฐิเราก็พยายามสร้างให้ตรงให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้สัมมาทิฏฐิแล้วเวลาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิก็มาเป็นตัวประธานตลอดเวลา พอเรารู้เท่าไร่เราเข้าใจเท่าไรเราเฉลียวฉลาดเท่าไรเรามีทิฏฐิได้เป็นสัมมาขนาดไหนก็ตามของใครของมันต้องพยายามสร้างสัมมาเนี่ยให้เกิดสมมาทิฏฐิให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้เป็นปริยัติก่อนมันก็จะมาเป็นตัวประธานเสร็จแล้วเราก็ต้องมีวายามะมีสติมีความพยายามมีความภาคเพียร เมื่อมีวายามะมีความพยายามมีความภาคเพียรแล้วก็ทำให้มันได้ตามที่เราเจตจำนงหรือเราได้รับความรู้มาแล้วก็มีสติตอนนี้เข้าสู่โพธิปักคีย์ธรรมเข้าสู่โพชชงโพธิปักคียธรรมหรือหลักโพธชงเจดมีสติหรือสติสัมโพธชงอาตมาเคยขยายความให้ฟังแล้วว่าสตินี่มันมีสติตั้งหลายขั้นสติธรรมดาของปุตชนมันก็มี คนไม่มีสติไร้สติหรือสติเสียก็คือคนอย่างนั้นแหละคนสติเสียฟันเฟือนกวาไปคนไม่มีไม่ไม่สติเสียหรอกแต่ไม่ควบคุมสติไม่รู้ตัวไม่รู้กรรมกิริยาเรียกว่าไม่ควบคุมสติเพราะเราจะต้องควบคุมสติเสมอทีนี้คนปุตุชนมีความรู้เท่าปุตุชนเขาก็มีสติเท่าปุตุชนรู้จักความดีเท่านี้ความดีคือแค่นี้เขาก็มีภูมิแค่เขา สติอย่างนี้ยังไม่เรียกสติสัมโพธิชนสติเขามีมีการกําหนดรู้ตัวนี่ตั้งใจตั้งสตินะคนเราทํางานไม่ตั้งสติเราเละหมดน่ะปุถุชนทุกคนเขาก็ทํางานมีสติตั้งสติของเขาตั้งใจของเขาตามภูมินั่นเรียกว่าสติธรรมดาธรรมดาสติปุถุชนสติของกัลยาณชนก็ระดึกดีทีนี้สติปุถุชนนี่มันต่างกับกัลยาณชนตรงที่ว่า กัลยาณชนนั้นสํานึกดีหรือมีความพยายามมีวายามะมีความพยายามที่จะทําดีกว่าปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาตามอารมณ์หรือตามกํานาจกิเลสเป็นหลักปุถุชนนี่ทําตามอารมณ์ทำกิเลสไม่ได้ตั้งใจจะดีจะชั่วอะไ ร, ร ก, กิเลสเป็นตัวหลักมันก็ทำไปเรื่อยเพราะสติที่เขาใช้ก็คือสติของปุถุชนตามอํานาจกิเลสเป็นเจ้าเรือนใหญ่ทีนี้กัลยาณชนยิ่งเป็นกัลยาณชนศึกษาธรรมะ เป็นศึกษาธรรมะไม่ว่าธรรมะเจ้าไหนละ่ะในโลกถ้าเขาเป็นนักศึกษายิ่งเป็นนักศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเขาก็จะมีสำนึกมีสติที่มีสำนึกในธรรมะเขามีความรู้ในเรื่องกุศลในเรื่องคุณงามความดีเท่าไหร่เขาก็พยายามเท่านั้นมีสมาวายาะของเขานี่เรียกว่าโลกิยะอยู่นะโลกยะอยู่เขาก็มีสมาวายามะมีสมาทิฏฐิเป็นประธานมีสติ มีสัมมาวายามะนี่เป็นตัวประกอบองค์ร้อมอยู่เพราะกะรยาเนชนก็เรียกว่าเป็นโลกียะที่เขามีความรู้ของความดีงามกุศลเท่าใดเขาก็พยายามภาคเพียรตามวายามะของเขาเขาก็จะได้ดีขลงขไปเพรา ะ, ะสติ ก, ก็เป็นจะสติกะรยาเนชนที่จะดีพอสมควรความรู้อย่างไรที่เขาได้เรียนมาเขาก็รู้ว่าทําไปได้พยายามเท่าไหร่มีความอุตสาหเวริยะมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีบุญบา ร, รมีมากเขาก็ทําได้มาก บุญวรมีน้อยก็ทำได้น้อยที่นี้มันตัดรอบโพชชงเป็นสติสัมโพธชงหรือว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสตินี้กลางๆของกัลยาณชนก็อธิบายได้อย่างที่ว่านี้สัมมาก็ดีตามภูมิแต่ยังไม่ข้ามขั้นมาถึงโพธชงยังไม่ข้ามขั้นมาถึงโลกุตระของพุทธมีโลกุตระอีกเป็นชั้นพิเศษเพราะสติสัมโพธชงจึงเป็นสติที่ แปลว่าเข้าขั้นองค์แห่งการตรัสรู้โพธชงนิลโพธิเนี่ยเป็นความตรัสรู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าสอนคือเข้าขั้นโลกุตระเพราะมีสติขนาที่มีสติแล้วก็มีคุณภาพด้วยสตินี้จะมีคุณภาพถึงขั้นว่าเข้าเขตเข้าเขตที่ลดละสักกายไม่ใช่แค่พ้นมิจฉาทิฏฐิ อาตมาเคยอธิบายแล้วพ้นมิจฉาทิฏฐินั้นก็แค่ขั้นพ้นมิจฉาทิฏฐินะพ้นอนิจจังถ้าเผื่อว่าไม่ลดเหตุลงได้ลดเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นสมุดถยทุกสมุดถ่ยแล้วก็ลดเหตุแห่งทุกข์ลดไป น, น้อยก็าตามสามารถลดได้เท่าที่เราจะมีภูมิรู้เรียกว่าลดสักกายะนั่นคือลดเหตุแห่งทุกข์จึงเข้าเขตลดสักกายะเข้าขั้น ลหรือว่าพ้นสังโยชน์ขึ้นมาตามคุณภาพสังโยชน์สคือสามารถที่จะปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตพ้นศีลพระปรามาตไม่ใช่ทำเยาะเยะแยะยทำไม่เอาจริงเอาจังไม่มีมรกมีผลทาไม่งั้น ท, ทั้งทงีสัมมาทิฏฐิก็ได้แต่ทำไม่จริงยิ่งไ่สัมมาทิฏฐิเลยแล้วไม่มีทางเลย เมื่อมีสมาธิถี่แล้วมีคุณภาพพอไม่ทำย่อๆอย่าทำจนเกิดมากเกิดผลลดได้ข้อสำคัญก็คือสามารถลดให้กินเลสมันล ด, ลดตัวจะชั่วคลาวจะแก้แต่ทังขปะหานหรือว่าสามารถทำได้ยิ่งเป็นปัสสธินปะหานเป็นนิสระนาปะหานยิ่งชำนาญหรือเก่งเข้าไปใหญ่เท่าไรก็ยิ่งดีใหญ่สุดท้ายก็ถึงขั้น สมุทรเชตพฐานนั่นแหละมันสามารถที่จะลดละสักกายะได้เข้าเขตนั่นแหละถึงจะเรียกว่าถึงขั้นสติสัมโพธิ์จงเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นี่เราจะเดินแล้วในเข้ากระแสไปเรื่อยๆเพราะงั้นในขณะที่ได้น้อยก็เรียกว่าเขา้าเขามร์เดินทางแล้วไม่ใช่จออยู่ปากทางไม่ได้เดินสักก้าวเลยนี่ไม่ใช่รู้ทางแต่ไม่เดินสักก้าวเลยนี่เรียกว่าไม่มีมร์ รู้ทางเป็นปริยัติเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติต้องให้ก้าวให้ได้ก้าวเข้าไปในทางก้าวเข้าไปในทางเรียกว่าเข้าโสดาปฏิมา ก, ก็เข้ากระแสไปเรื่อยๆจนเข้ากระแสถึงขีดขั้นเอาวินิปาตธรรมไม่ตกตำ่ำเอาวินิปาตธรรมเข้ากระแสไปมีน้ําหนักพอไม่ตกต่ํำละนะแม้จะเน่ยืดหยุ่นบ้างยืดยุ่นบ้า ง, งก็ ยังยังมีการก้าวหน้ามันมีย่อนมัง่งมันยังไม่เก่งนะมันย่อนมัง่งแต่มันก็ยังมีอัตราการข้าวหน้าไปมีสภาพนําหน้าไปจึงเรียกว่าอ น, นิปรัตธรรมจนกว่ามันจะไม่ยุนไม่ยืดไม่อะไรระเที่ยงนะเที่ยงไปได้ตัวนี้เที่ยงมีเขตไม่ถอยนิยตะนอกจากอานิปาัตธรรมแล้วนิยตะเที่ยงคนอย่างนี้ก็มีคุณภาพที่จะสัมโพธิปราญนาะ มีสิทธิ์ที่จะตรัสรู้สมบูรณ์ในเบื้องหน้าถึงที่สุดในเบื้องหน้าในเข้ากระแสนี่คือคุณภาพของคนเพราะฉะนั้นจะเข้าถึงขั้นสติสัมโพธิชนจึงต้องมีคุณภาพแห่งมรรคผลสรุปไ ง, ไง่ายๆต่างจากสติกลยาในชนต่างจากสติปุตุชนอาตมาก็ได้วิเคราะห์วิจัยมาหลายทีแล้วมากมายฟังธรรมอาตมามาแล้ว ไม่ตกไม่หล่นก็จะต้องจําได้นะเพราะงั้นเมื่อพูดใดเข้าโพธิปัจขจยธรรมมีมรรคมรรคองแปดนี่ก็อธิบายไปในเรื่องของมรรคองแปดด้วยโพธชงอะนี่อธิบายขยายโพชชงมีสติสัมโพธชงมีธรรมวิจัยสัมโพธชงมีวิริยะสัมโพธชงมีความภาคเพียรมีวิจัยเหตุปัจจัยนี่ให้ถูกต้องตามที่อาตมาอธิบายนี้นะจนกระทั่งสามารถผลสังโยชน์ส วิจัยออกหมดเลยว่าประมาทหรือจิตเจตสิกของเรานี่อ่านจิตเจตสิกมีญาณ น, นะโสดาบันต้องมีญาณเจดประการถ้าอ่านไม่รู้รูปนามไม่รู้สภาพพวกนี้ทำงงงงง่ายๆมันไม่แม่นหรอกมันไม่ลลลเลอะเทอะไม่รู้ตัวโสดาบันต้องรู้ตนเองมีญาณปจัจจจังวิทิตะโพวินยูหิต้องรู้ตนของตนต้องรู้ว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมได้มากได้ผลจริงไหม ได้นิดหน่อยได้แข็งแรงเข้าขีดเข้าขัน้นซึ่งมันไม่มีขีดตายตัวคุณต้องประเมินประมาณของตอนเองเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยประมาณตนเองผิดเรียกว่าหลงได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาผิดหรอกคนหลงน่ะมันไม่เจตนามันมีความหลงผิดอย่างนั้นจริงๆมันนึกว่าตัวเองได้แต่ประเดี๋ยวก็รู้ตัวมันทําไปแล้วถ้าเราไม่ลำเอียงเกินไปไม่หลงจนกระทั่ทงหน้ามืดตาห ม, มัวมันก็ต้องรู้ตัวว่าเออมันผิดแล้วเว้ยเนี่ยเรานึกว่าเราได้แต่ที่แท้โอ้โหเรายังขี้เกียจอยู่เลย ไม่จะรู้ตัวเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยจะอายตัวเองแม่ไปคุยเคืองซะใหญ่โตแม่แได้น้่นได้นี่บางคนแม่เป็นอนาคาแล้วเป็นสกิทาแล้วโอ้ยยังอยู่คาครบไม่ <c oughs> ยังไม่ทันอะไรมันมีได้น ะ, ะก็ค่อยๆไปศึกษาจริงๆเพราะมันปฏิบัติแล้วสติสัมโพชฌมีโพชชงอย่างนี้องค์สามสติสัมโพชฌง วิริยะสัมโพชงธรรมวิจัยสัมโจชงวิริยะสัมโพชง์นี่แหะสองค์นี่เป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติได้ดีขึ้นมาได้ผลได้มกักได้ผลขึ้นมาเรื่อยๆมันจะมีปิติสัมโพชงปิติแปลว่า ก, การได้ดีอัตมาเคยแปลนี่มานานแล้วปิติแปลว่า ก, การได้ดีได้มกักได้ผลขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความพอใจยินดีในสิ่งที่เราได้ถ้ายินดีในสิ่งที่เราได้ชนิดที่เราไม่ได้เรียนรู้มันก็เป็นอุปกิเลตได้ ฟูใจแล้วก็หลงฟูใจงั้นดีไม่ดีไปคุยโม่โอ้อวดด้วยกลายเป็นสาเถยะกลายเป็นสิ่งโอ้อวดเอาเธอถึงแม้ไม่โอ้อวดคุณฟูใจก็ได้แต่ฟูใจนั้นมันก็เสียคารรี่เสียพลังงานดีไม่ดีก็ยึดติดเป็นอัตตามานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอย่าเป็หลงมานมันได้ดีมันยินดีเป็นมุทิตาเป็นมุตมุทิตาจิตก็ดีแล้วล่ะเรารู้ดีสิ่งที่ได้ดีของเราเองก็เถอะของคนอื่นก็ตาม รู้ดีสิ่งที่ได้ดีก็เออก็ก็จึงยินดีกับมันอาจจะว่าดีใจหรือว่ายินดีกับมันก็ดีดียินดีกับมันก็จบอย่าให้มันเป็นอาการนี่มันเป็นอย่างนั้นคาไปมากนานนักแต่นั่นแหละบางคนก็ต้องใช้กําลังของปิติเลี้ยงถ้าไม่มีกําลังของปิติก็ทํางานไม่ได้ก็เอาอาศัยมันบ้างแต่ก็อย่าต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไม่ใช่เรื่องจะปล่อยให้มันลามให้มันอ้วนให้มันพีให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยไม่ได้นะเพราะฉะั้นก็เอา ค่อยๆไปนี่เราเราจะได้ปิติสัมโพชฌงค์ปฏิบัติ3นั่นแหละอ่าสติสัมโพชฌงค์วิริยะธรรมกายสัมโชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นี่แหละสองค์เนี่ยปฏิบัติแล้วมันก็จะได้ดีผลของการได้ดีก็คือปัตสธิสัมโพชฌงค์คือการสงบประงับเข้าไปหาอุปสมะที่อธิบายเมื่อวานนี้เข้าไปหาความสงบเข้าไปหาวิเวกหรือเข้าไปหาอุปสมะเข้าไปหาความสงบความสงบก็มีภาษาเรียกหลายคำเยอะ ภาษาบรลีวิเวอุปสมะอะไรก็สงบสัน ต, ติอะไรเยอะแยะนะก็ได้ความสงบสงบอย่างมีปัญญาไม่ใช่สงบประเภทเงียบนิ่งๆเฉยๆไม่กระดุกกระดิกอะไรเงีงเ้มันมันสงบเหมือนกันแต่ว่ามันผาซื่อมันมิติเบื้องต้นมิติตื้นๆสงบนี่กิเลสมันสงบเพราะนั้น ปัจสัตย์ที่สัมโพชงก็คือผลอันคู่เคียงกันกับปีตินี่แหละได้ดีได้ดียังไงลดกิเลสได้ลดก็จอกทั่งประมาณหนึ่งยังไม่สงบนักลดไปจนกระทั่งปัจสัตยที่โ อ, อ้สงบละสงบดีละสั่งสมความสงบอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆลดกิเลสอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยเรียกว่าสมาธิสัมโพชงเป็นการลดกิเลสนี่เรียกว่าสมาธิสัมโพช ง, ส, ส, ส, พชงสั่งสมใ้ตั้งมัน่นสมาธิ แปลเอาความว่าตั้งมันคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญารู้ผลที่เราทําอย่างถูกต้องเป็นอธิต่อเนื่องกันจนกระทั่งอยู่แข็งแรงมั่นคงในวัตตังมันก็ตามสมาธิก็ผลของการปฏิบัติอย่างนี้มาเรื่อยๆสุดยอดของสมาธิก็คือทะลุไปถึงองค์ฌานสุดท้ายเป็นอุเบกขาสามารถ ทำจกนกระทั่งรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรอะไรอย่างสมบูรณ์จกนกระทั่งวางเฉยได้อุเบกขาเป็นอุเบกขาสัมโพธชงตัวปลายเราสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นโพชชงสมบูรณ์จะมีคุณภาพของคุณธรรมต่างๆดังกล่าวนี้จริงอ่านให้ออกอ่านของตอนเองไม่ใช่มีแต่ตัวปริยัตเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะอ่านปริปรมัตธรรมปรามั ต, รรมมตสัจจะพวกนี้คือจิตเจตสิกอาการของทางจิต ปฏิบัติมีสัพพัสเป็นปัจจัยมีตาหูจมูกลิ้นกายมีการงานมีการคิดการพูดมีอาชีพอะไรนี่อยู่นี่แหละปฏิบัติมรักแล้วกัมีโพชชงไปประกอบหลักมรักองแปดกับโพชชงเจ็จะต้องเป็นหลักใหญ่อยู่กับตัวเราเองเลยเสร็จแล้วเราก็มีสติปัฏฐานสมีสมปัฏฐานสีมีอิทธิบาทสีอิทธิบาทสีก็เป็นตัวกําลัง สติปทานสี่ก็ให้มันรู้ทั้งไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่ า, วาทเวทนาไม่ว่าทั้งจิตไม่ว่าทั้งธรรมะอาตมาไม่ขยายความเลาแคเดียวมันจะยาวยืดวันนี้สมัปปทานก็เป็นตัวปฏิบัติแท้นะสมัปปทานสี่จะต้องสังวรจะต้องประหารนะสังวรเพื่อประหารเชนะหมสมัปปทานเนี่ยประหารกิเลสไม่มีอื่นเลยแล้วก็รักษาผลที่ได้ ให้มันเกิดผลภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษณาประทานนะสสมบูรณประทานสเนี่ยสังวรก็คือพยายามปฏิบัติสังวรเสมอนะพยายามทําเสมอแล้วก็รู้ตัวที่จะประหารได้ทมอวิจัยแล้วรู้กิเลสมีวิธีประหารประหารได้ประหารประทานนะประทานะแปลว่าความเพียรนะนะเสร็จแล้วก็ได้ผลภาวนาประทาน ให้มาเกิดผลเมื่อได้ผลไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วรักษาผลอนุรักษณาประทานแล้วก็ให้มาเกิดอีกเสริมกันอีกวนอยู่ในแหละสังวรไปได้แล้วก็รักษาผลนั้นแล้วก็ให้ทวีขึ้นมาสังวรใหม่ประหารใหม่เกิดผลใหม่ก็รักษาใหม่รักษาไอ้ทุนที่ได้นี่แหละแล้วก็สังวรไปเรื่อยๆสมประธาน4ด้วยอิทธิบาทนะด้วยอิทธิบาทกระทาอย่างนี้แหละจึงจะเกิดอินทรี่ห้พระห้าใโพธิปักขีธรรม อินทรีห้าพละหาเป็นผลเป็นสิ่งที่เจริญของตนเองไม่ว่าศรัทธาไม่ว่าวิริยะศรัทธาวิริยะ ส, ส, ส, ยะสติสมาธิปัญญานี่5หาอินทรีห้าพละหาเหมือนกันน่ะทั้งอินทรีทั้งพละมีหอย่างนี่เหมือนกันทั้งห ศรัทธาจริงๆเกิดศรัทธาเกิดวิริยะมันจะเกิดจริงๆแล้ววิริยะหรืออิทธิบาทตัววิริยะตัวอิทธิบาทในตัวล้คล้ายๆกันแต่ขยายใหญ่เป็นอิทธิบาทวิริยะตัวเพียรเนี่ยนะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็เกิดปัญญาเชื่อยังมีปัญญาอินทรียาะห้าในศรัทธาอยู่หัวปัญญาอยู่ท้ายแล้วก็เกิดสติก็แข็งแรงสมาธิก็แข็งแรงในอินทรีย์พระ แข็งแรงจริงๆเนื้อหามันมีอัตมาไม่อธิบายวันนี้ในรายละเอียดของอาการก็มันเป็นอย่างไรอย่างไรขยายความเป็นภาษาง่ายๆให้รู้ก็พอได้จะที่ภาษาสีไม่ค่อยเป็นเน <c oughs> ดินเครื่องไม่เป็นมีสติรู้องค์รวมรู้ความประชุมเนี่ยตั้งแต่แคบไปจนกระทั่งถึงกว้างเนี่ยว่ากายตั้งแต่รูปนอกไปจนกระทั่งถึงอาการทางในประชุมยุนทางน้ำมาทมก็เรียกว่าการประชุมกายในเกวันนามกาย อังนอกเนี่ว่ารู ป, ปรกายองค์ประชุมตั้งแต่วัตถุและรูปนอกก็เรียกว่ารูปกายองค์ประชุมกายะแปล ว, ว่าความประชุมกันอยูอ่จะมีอะไรแล้วแต่รวมกันอยู่เนี่ยสัมผัสรวมนี่อย่างนี้เลยว่ากายะองค์ประชุมเนี่ยเรียกว่ากาย ะ, ะ, เ, ยาาย ะ, ะเพราะงั้นภาษาของเราทั้งวัตถุทั้งบุคคลทั้งกายกรรมวิจิกรรมโนโรกรรมภสษาของเราเนี่ยเต้องรู้ตัวมัมนอะไรบาง แล้วอะไรพวกนี้มันทําให้เราเกิดอารมณ์เกิดอาการทางจิตมีกิเลสเกิดอะไรเกิดเรียกว่าประชุมนามกกายทางจิตข้างในก็รู้องค์ประชุมข้างในพราประสัมผัสแล้วมันไปอยู่ข้างในเป็นนามกกายองค์ประชุมข้างในเป็นยังไงละ่ะวิจัยมีธรรมวิจัยมันออกโอ้เข้าไปแล้วมันไปก่อเกิดจนนั้นให้ไปเกิดกิเลสเข้ามากิเลสก็เข้ามาทํางานใหญ่เลยปลนใหญ่เลยถาดโง่ถาดรู้อยู่ในนั้น ต้องให้เป็นธาตุรู้ธาตุฉลาดวิจัยออกแยกกิเลสออกแยกอารมณ์ที่เป็นโลกาคัโทสาโมหะออกให้ได้เรียกว่ากายกายและละองค์ประชุมนามกายลึกเข้าไปก็รู้จักเวทนาก็คือกายเป็นนามกายเวทนาก็ซ้อนอยู่กับนามกายนั่นแหละเวทนาอาตมาก็ขยายฟังถึงร้อเวทนาแล้วเนคมาเวทนาเป็นอย่างไรเคหสิตะเอ อ, เ อ, อใช่เคมาสิต เนคขมัสิตะเวทนาเป็นอย่างไรเคหัสิตะเวทนาเป็นอย่างไรอย่างชาวบ้านอย่างปุถุชนทั่วไปเป็นอย่างไรเรียกว่าเวทนาอาการอย่างงั้นความรู้สึกอย่างงั้นน่ะเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยเป็นทางเนคขมมะเป็นทางเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้เป็นการสู้เพื่อละกิเลสออกอาการอย่างเงี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยคือการหมดกิเลสลงความรู้สึกที่กิเลสมันลดจางคลายไปในรู้เวทนา สุขเวทนาแยกเป็นสุขเวทนาแบบโลกีอัตมากอธิบายแล้วสุขเวทนาแบบโลกุตระทุกขเวทนาแบบโลกีทุกเวทนาแบบโลกียะแบบโลกุตระอัตมาก็แยกให้ฟังหมดแล้วรู้เวรู้เวทนาในเวทนาแบ่งเป็นแค่สองเวทนาสาเวทนาห้าเวทนา8เวทนา16เวทนา32สองเวทนา ร้อเวทนาวันนี้จะไปอธิบายได้ไงเดี๋ยวจะไปสิเกตแล้วรู้จักเวทนาในเวทนารู้จักจิตนี่ก็คือรู้จักเจโตปริยาน16จิตในจิตเจโตปริยาณ16อธิบายปากเปลี่ยปากแฉะต้องมีปัญญารู้นะเจตันรู้ถ้าไม่มีปัญญารู้เจโตปริยานยนะ่ยไม่รู้แม่แต่ สาราคาวีตาราคาโระโสวติตะโสโสม О หาวิตะโมหะอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแยกไม่ออกเลยเนี่ยราคะโทสโม О หะอาการเป็นยังไงวีตะหมายคำว่าลดลงลดหรือว่าไม่ใชสาา่สระก็คือประกอบขึ้นประกอบโทสขึ้นประกอบราคะขึ้นหรือว่าทําให้มันลดลงวิตตะวิตะโสวิตะราคาวิตตะโมหะ เราไม่รู้มันจะต่างกันยังไงอารมณ์ของราคาสักออกไปสะขึ้นไปมีแต่ประกอบขึ้นมีทําให้จางลงได้ความต่างกันอย่างนี้ไม่รู้เลยในจิตของเราเนี่ยแหละว่าไม่รู้จิตในจิตเราก็ไม่มีทางเจริญนะ่มียาน้องมียานรู้อาการทางปรมัาทพวกนี้จริงๆจนกระทําได้ได้ขั้นว่าว่าจะไม่ไล่สิบหนี่ก็จะต้องไล่นี่นะเอาเร็วๆก็แล้วกันสังคิตตาวิคิตตะ ส trend, ังก ouais. ิตตังวิสังกิตตังจิตตังวิกิตตังจิตตังอย่างที่มันได้บ้างแล้วมันก็ยังไม่ไหวหรอกนะสังกิตตังวิกิตตังจิตตังกินได้อย่างเขาถึงแปลง่ายๆว่ามันยังเป็นก้อนเป็นห่อไม่หดหดหูหูอยู่สังกิตตังจิตตังถ้าวิกิตตังจิตตังมันก็ยังกระเซ็นกระสายยังกระเด็นกระดอนจับไม่ค่อยติดเขาก็เรียกไปแปลงง่ายๆว่าฟุ้งซ่านสังกิตตังจิตตังก็แปลว่าหดหูหดหดหูมันเป็นก้อน ไอ้วิจัยวิจตังจิตังก็ไม่ใช่กรงกลัมันกระจ้าจับไปก็ติดมันก็ยํไาไม่ก็อยู่คือยังไม่เก่งยังทําไม่ได้สัสดส่วนยังทําไม่ได้อย่างชำนาญก็ทําต่ออะไรเป็นมหคตะอะไรเป็นอะมหคตะถ้าทําต่อไม่เจริญก็เรียก ว, ว่าอะมหาคตะถ้าทําต่อได้เจริญก็เรียก ว, ว่ามหคตะหมายว่าทําได้ดีทําได้เจริญยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมหคตะ เสร็จแล้วมันก็จะได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไปถ้าทำมหาคตากันเรื่อยๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าสอุตรจิตตังสัอุตรจิตตังนี่ท่านแปลสวยอ่ะมาชมทุกทีเลยพูดถึงตรงนี้ท่านแปลไว้เดิมว่าจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกคือได้ดีนะดีขึ้นไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยแต่เราก็รู้ว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันดีกว่นี้ยังมีอีก ดีกว่านี้ยังไม่เอีกสกอุตรังจิตตังเนี่ยมันดีขึ้นไปละดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่เรายังรู้เลยว่ามันยังไม่จบมันยังดีกว่านี้มีอีกดีกว่านี้มีอีกเราจะรู้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเรียกว่าอนุตรังจิตตังเพราะฉะนั้นตรวจจนกระทั่งครบอนุตรังจิตตังไออนุตรังจิตตังมันก็ตรวจอยู่สองในตรวจสมาหิตะกับตรวจวิมุตต์ความตั้งมั่นกับสิ่งที่ยังมี ความสะอาดบริสุทธิ์จริงหรือไม่วิมุตต์ตรวจสองอันตรวจเลยหนึ่งแข็งแรงตั้งมั่นกลักษณะเจโตวิมุตต์ก็คือลักษณะตรวจด้วยปัญญาตรวจว่ามันมันมีอะวิมุตต์จรไหมมันอะไรเป็นอะวิมุตอะไรเป็นวิมุตหรือสมาหิตะอสมะหิตะอะไรมันตั้งมั่นอะไรไม่ตั้งมั่นมันอยู่ในลักษณะมันยังไม่ตั้งมั่นจริงนนี่มันยังแวับ นีนิดในหน่อยไม่ ไ, ไหวอยู่บ้างนะเนี่ยมากระแทกกระเทือนปึ๊บนื้อควันแน่ร้อยล้านก็ไม่กระเทือนร้อยเอดแค่นั้นก็กระเทือนแล้วอะไรเงี่ยห้าร้อล้านไม่กระเทือน500ร้อหล้านหรือห้ากระเทือนแล้วอะไรเงี่ยมันก็ต้องรู้ความจริงของเราว่าเราต้องมีผดษาเป็นปัจจัยนี่แหละเป็นตัวสมมติเป็นเป็นตัวเช็ค เป็นตัวข้อสอบเพราะฉะนั้นมีไม่มีข้อสอบนี่มันไม่รู้จริงหรอกมันเดาโลกนี้มันแรงแค่ไหนสู่มันเลยโลกทั้งโลกนี่มาเลยมันจะร้อนมันจะแรงมันจะร้ายขนาดไหนโลกกีนี่เพราะนั้งอรหันต์จริงจะต้องเขาจะต้องต้องสู้ได้ทุกทิศสู้ได้ทุกขนาดมันไงจะเป็นอรหันต์ได้ไงอรหันต์ยังต้องเฮ้ยนี่แรงไปขอหลบก่อนยังไม่อร ห, รหันต์หรอกอย่างนั้น <S <S ไอ้ น, นี่ยังแรงไปขอหลบก่อนเอออรหันแบบนี้อาหอยเนี่ยต้องมีต้องมีกอกระดองแบบนี้มันอาหอยแล้วเนี่มันต้องมีมีโพลงอยู่ไม่ใช่อารหัน์แล้วแบบนี้อารหันมันไม่หลบหรอกมันต้องอยู่เหนือโลกุตระซึ่งก็แท้ขนาดนี้แรงขนาดนี้กิเลสโลกขนาดนี้โลกีขนาด น, น, าดนี้วางได้ไม่กระเทือนไม่มีแว บ, บับตั้งมั่นจริงๆแล้วไม่มีวิมุตต์เอาวิมุติจรยังไม่วิมุติแท มันเป็นแผลวๆพิเงนินๆอื้ออยู่ดีๆเฮ้ยมันหลอกเลยวัดหนึ่งมันหลอกเราไอเนี่ยไม่รู้จะว่าไงอธิบายไปตามภาษานะคุณก็ไปศึกษาดีๆคนจะมียานอย่างที่อาตมาพูดนี่มันจะต้องละเอียดสุคุมประนีตแล้วยานสูงแล้วไอจะตรวจวิมุตตตรวจอสมาหิตะนี่มันจะต้องระดับอนนาคามีขึ้นไปแล้วละไอะเรายังไม่อนาคามีแค่ อ น, นาคตาคมาอยู่นี่ก็อย่าพึ่งอะไรนักหนารู้เป็นภาษาไปก่อนเพราะอ น, นาคามีจริงๆนี่วก็จะมียาณในระดับนี้รู้แล้วนี่อย่างนี้ในะระดับเ อ, อาวิมุตต์เ อ, อาวิมุตจร อ, อย่างนี้แค่สมาหิตะยังไม่จริงสมาธินี่แหละสมาหิตะก็เขาปแปลว่าสมาธิละแต่ว่าเป็นสมาธิในระดับขั้นอนุตรังอนุตรจิตในขั้นที่ทําขั้นยอด นี่เจโตปริยาน16บหกเราก็ต้องรู้ถ้าไม่มีความรู้เจโตปริยาน16นี่นะคุณจะไปรู้จิตของตัวเองรู้ประมาทของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหรันได้ยังไงมันต้องรู้ต้องเข้าใจสภาพธรรมเลยสภาพของของจริงตัวหนังสืออาจจะท่องไม่เคยแม่นปราริเราไม่เคยคล่องแต่ว่าเราต้องรู้ลักษณะของมันจริงๆเลยอย่างนี้ที่อาตมาอธิบายไปเนี่พูดภาษาไม่ถูก แต่มีความรู้แล้วก็ทำจริงถูกสภาวะมันก็ใช่ได้นะนะเจตัวปริยานินจิตในจิตส่วนทนําในธรรมก็มันก็ตรวจหมดธรรมไปหมดเลยตั้งแต่นิวรห้อุปทานขันหอายตนะหกอริยสัตสีโพชฌงเจด อ่าพ่อชองเจ็อริยสัจสีเนี่ยคือทําในธรรมต้องรู้หมดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้จริงไหมถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้จริงเกาจบนะในพอชองเจ็อริยสัจสีเนี่ยมรรคองแผมันอยู่ในอริยสัจสี่ไปสงสัยว่ามรรคองแผหายไปไหนไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะเนี่ทําในธรรมทั้งหมดถ้าไม่รู้นิวรนาไม่เข้าใจนิวรนาคืออะไรกาเมชันท่าก็หมายรู้พยาบาทก็หม่รู้อาการมันมันไม่มีทางรู้จักธรรมะหรอก อุปทานขันห้าก็รู้ไล่ลงไปเลยกิเลสตัณหาอุปทานแม้ที่สุดมันเป็นอุปทานในระดับยังไม่ถึงขั้นพิจารณาขันไปเอาแล้วพิจารณาขันแล้วกายไม่ใช่เราร่างไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่รใชรเร า, เ อ, าอะไรเล็บนักอะไร เกสาโลมานะคาตันตาตะโจทองโอ้ยนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันถเถอะไอ้ของหออยูนะั่นล้วเลอะเทอะยังไม่ได้ปล่อยได้วางเลยแล้วยังมันจะมาท่องไอ้นี่ไม่ใช่เราโธ่คนมันข้ามขัน้นพวกเนี่ยพว ก, กกรรมฐานพวกพระกรรมฐานเนี่ยไปท่องแล้วเกสาโลมานะคะทาทันตาตะโจอะไรก็ว่ากันไปท่องพิจารณาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันได้แต่การอนุมานมันได้แต่ตรรกศาสตร์ กิเลสก่อนเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายบางคนยังดูดยาตุ้ยตุ้ยอยู่เลยพระกรรมฐานอะไรก็ยังไม่รู้ทิ้งยังจะไปทิ้งนี่ไปชะเล่าหนังไปจะเล่ามันโตเอ้บุรียังเอาออกยังไม่ได้เลยมันไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายมันติดอยู่มันไม่รู้ว่ารวมจิตหลอกไปทั้งท้องได้แต่ได้แต่ปริยัตได้แต่ตรรกศาสตร์ได้แต่การสมมุติอนุมาน เออมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราไม่ใช่เรารากับทองราก็พยายามทำยังไงก็แล้วแต่เออมันไม่ใช่เราเออไม่ใริิงทั้งท่านกิเลียเบื้องต้นเบื้องหยาบยังละไม่เป็นน่าจะไม่บอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราเราลองดูหน่อยก็ได้เอาขี้ไก่ไปต่อยเท่านั้นก็ได้แล้ว <c oughs> รับรองเบือเลย <c oughs> นะ มันต้องมีขั้นมีตอนมันต้องมีสภาพนะธรรมะได้จะกว่าจะไปตัดกิเลสในระดับวางวางขันห้าอุปทานขันห้าเรียนรู้กิเลสเรียนรู้ตัณหาก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้อุปทานขันห้าแล้วค่อยวางขันห้าเพราะฉะนั้นกิเลสตั้งแต่นิวรห้าก็ยังไม่รู้กามก็ยังไม่รู้พยาบาทก็ยังไม่รู้ที่นั่นมิท่าก็ยังไม่รู้อุตจักกุตจักอะไรก็ยังไม่รู้นี่ไม่มีทางไล่ไม่ถูกต้องนะต้องเข้าใจรู้ลำดับนิวรห้าอุปทานขันห้าอายตนะห กิเลมันเกิดจากอันตรายตนะหกเนี่ยมากมายมหาศาลาต้องปล่อยวางให้ได้รู้ให้ได้เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกสัมผัสในเรียนรู้โพชฌงเจตริยสัจสีนั่นเป็นธรรมในธรรมถ้าเราสามารถรู้โพธิปักเยธรรมพวกนี้จริงภาคเพีย น, นามาลงตรงที่ อิทิบาตสีอีกทีให้ดีในอัตมาจะจบ้วยอิทิบาตสเนี่ยอิทิบาทสนี่กระยามไม่ฟังสำคัญแล้วว่าตัวฉันทะตัวยินดีนี่เป็นตัวดีที่สุดถ้าฉันทะไม่มีปฏิบัติทำไม่ไปง่ายๆหรอกสุขภาพร่างกายก็จะเสียความจะเกิดวิริยะอุตสาหามากก็ไม่มีถ้ามีฉันทะมีความยินดีมีความพอใจแล้วนี่กไรมากมาย ทำอย่างไรใจเราถึงจะเบิกบานร่าเริงถึงจะยินดีในธรรมก่อนอื่นธรรมาก็บอกพวกเราบ่อยๆทางปฏิบัติอันนี้กลุ่มนี้อาจารย์ก็ดีมิตรสหายก็ดีมวลที่อยู่ด้วยกันนี้องค์ประกอบต่างๆเสนาส น, นะส ป, ปายะหรือยังบุคคลส ป, ปายะหรือยังอาหารส ป, ปายะหรือยังธรรมะส ป, ปายะหรือยังถ้าพร้อมส ป, ปายะสี่นี้แล้ว เอาให้เต็มที่เลยตัดวิกิติฉาไม่ต้องสงสัยถ้ายังสงสัยอยู่อโอ้สํานักโนนจะดีกว่ามัง้งสํานักนี้จะดีกว่ามัง้งไปไปตรวจสอบมาให้หมดสํานักไหนดีก็ไปอยู่กับสํานักนั้นจนแน่ใจแต่อย่าให้ตายก่อนแล้วกันมาให้ถึงก่อนไปตุม่มโมดีสอบสํานักอื่นอยู่ไม่ตายก่อนไม่ได้เจอกันพอดีตรวจสอบให้ดีถ้าแน่ใจแล้วว่าสํานักนี้ดี ไม่มีวิจิกิจฉาแล้วลุยยินดีให้เต็มที่เบิกบานให้เต็มที่ต้องปฏิบัติอย่างสุขขาปฏิปทาขิปปาไอขิปาหรือทันทาในอาตมาบังคับไม่ได้นะขิปปาไหมคำว่าเร็วทันทาไหมคำว่าช้าส่วนใครจะปฏิบัติกําไรก็คือต้องปฏิบัติให้เป็นสุขขาปฏิปทาอย่าไปปฏิบัติให้เป็นทุกขขาปฏิปทาใจเรานี่แหละจะสุข ถ้าจะได้มีความยินดีใจเราทาความเบิกบานให้ได้ก่อนอื่นเป็นสุขาปฏิปทาส่วนจะเร็วหรือช้ามันอยู่ที่บุญบา ร, รมีของเรากับวิริยะใครวิริยะดีนะบุญบา ร, รมีแม้จะไม่ดีนักมันก็ยังมีผลที่จะเร็วได้ถ้าใครแม้จะมีบุญบา ร, รมีดีแต่เกียรติมันก็ช้าได้ใช่ไหมน ไอบุญนี่ใครจะไปทําอะไรได้เราไปซื้ออมาแถมได้ไม่เราจากตลาดศูนย์การค้ามีไม่เร่าบุญบารมีวิบากเดิมมุ้งใครของมันนะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ยิ่งไม่มีบุญดีนี่เร า, เรายิ่งต้องอุตสาห์ภาคเพียรให้มากเมื่อแน่ใจแล้วลุยภาคเพียรให้มากถึงแม้พุณจะมีบุญบารมีมากคุณก็ควรจะภาคเพียร น, น้อยอหรมันไม่ใช่คําตอบนี่ถึงแม้ว่าเราไม่มีบุญบารมีมากเราก็ต้องขยัน แม้จะมีบุญบารมีมากมันก็ต้องขยันอยู่ดีภาคเพียรอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจึงตัวไขสําคัญก็อยู่ที่ความภาคเพียรแต่ทีนี้มันจะเร็วจริงก็เพราะว่าถ้าคุณมีบุญบารมีมากมันก็เร็วได้ด้วยคุณขยันด้วยสมมุติขยันเท่ากันคนมีบุญบารมีมากมันก็ย่อมจะได้ก่อนได้เร็วกว่ามันแน่นอนมันนี้เป็นเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเจก่อนอื่นคุณปฏิบัติให้เป็นสุขขาปฏิปทาให้ได้ก่อนอื่นเลยกําไรให้ได้ มีความยินดีมีความเบิกบานใจเหี่ยวใจห่อใจหดใจไม่ชอบอะไรต่ออะไรเนี่ยคิกอิดเออุ้ยเอามันไว้ทําไมโง่อะไรกันนะกันนาคนเราอะใจไม่สบายใจหมุนใจหดใจเศร้าใจโกรธใจเครืองเอามันไว้ทําอะไรใส่น้ำพริกก็ไม่ได้โอ้ยเจ้าบางคนเลยฮะทาให้มันได้ดิไม่ลําบากอะไรหรอทําใจลําบากอยู่ทําไมเราถึงทาให้มันได้ที่ ไปลำบากลำแบกอะไรอยู่ทําไม <S <S 1> <S 1> ลราก็ไปแบกมันก็ลําบากกันทีครืออาการอย่างนี้อาการไม่สบายใจอาการไม่ชอบอาการหดหูอาการเศร้าหมองอาการมันไม่ใช่รสอร่อยเลยอ่ะอาการพวกนี้อะนะเอามันออกไปเลยเอาใจให้เบิกบานแจ่มใสสบายงานจะหนักแดดจะร้อนจะเหน็ดจะเหนื่อย ไม่เห็นเลยพวกมันเต้นมันดีนี่เศร้ า, มามแงบแงบเลือดแทบไหลเหงื่อย้อยเหงือหยดมันก็ยังคลีอคลี่น่านละยเหลือลเกินมันจะตายอยู่แล้วแต่มันก็ยังเหนื่อยแสนเหนื่อยมันก็ยังดีใจอย่างนั้นเป็นคนใจดีดีใจเป็นคนสบายใจเบิกบานใจให้ได้จะเหนื่อยยังไงก็คืนเหนื่อยจะหนักก็คืนหนักจะร้อนก็คือร้อนในงงานมันหนักงานมันยุ่งอะไรมันก็เป็นเรื่องของงานแต่ใจเราอย่าโง่จําไว้ แม่อโศกานี่อุตส่าห์ตั้งชื่อไว้แล้วว่ามันไม่โศกนะมันไม่โศกไม่เศร้านะอโศกานะมันมีแต่เบิกบานมันมีแต่แจ่มใสมันมีแต่งดงามนี่มันยังไม่เลยอโศกานี่มันเนีพวกชาวอโศกนี่มันยังโศกอยู่นั่นแหละเห็นหน้าเห็นตาแล้วโอ้นี่หรืออโศกเห็นหน้าแล้วนี่แทบจะบอกว่ามันมันต้องให้ สัญลักษณ์บอกอโศกที่เห็นหน้าหรอโอ้ใช่นี่อโศกมันมจำใส่แม้จะแก่แม้จะดำแม้จะแก่แม้จะดำก็ใสไม่โศกโอ้มันออนนะราศีพวกนี้มันบอกดูกันได้นะราศีของคนเนี่ยเบิกบานร่าเริงเนี่ยมันดูกันได้นะต่อให้หน้าข่ามันก็ดูได้ว่ามันโศกมันเศร้ามันหมองอ่า อย่าให้เสียชื่อบอกถึงบอกจะเน้นตรงนี้อ่ะเน้นให้ชัดเจนอิทธิบาทนี่จะต้องมีตัวยินดีมีคนยินดีปรีดาเห็นงานนยินดีปรีดาหรือแม้แต่เห็นตัวก็ยินดูรู้เลยว่าคนที่มีความยินดีปรีดาเป็นคนสดชื่นเป็นคนเบิกบานไม่ใช่คนโศกเศร้าเหงาหงอยเครียดเคร่งเหม็นบูด เห็นหน้าแล้วก็แหมหน้าเหาม้นบูญนี่มันไม่ชาวส่วงร้องบุญบูดนะถ้าเราทําใจเราเป็นฝึกให้ได้ฝึกจนกระทั่งมันสมบูรณ์มันก็เป็นสุขขาปฏิบัติทาของเราแล้วแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติไปจะทินจะทันทาปัญญาหรือกิปาวุปัญญาก็อยู่ที่ภาคเพียรบอกแล้วหรือว่าเราเองมีบุญมามากก็แต่เร็วน้อยบุญไม่มากก็เพียรเอาก็แล้วกันตัวเพียรเนี่ยเป็นตัวข่สาคัญมากภาคเพียรไป มื่อยากให้พวกเรานี่มีอิทธิบาทอันสมบูรณ์มีชันทะพนี่ยขยายอิทธิบาทตัวยินดีตัวเดียวนี่ต้องพยายามตั้ง ต, งตนให้ดีทําให้ตนมีสุขาปฏิปทาให้ได้มันไม่ใช่ใครกําไรเรากําไรเองเราทําใจในใจของเราให้ดีเบิกบาน ร, า ร, าร่าเริงจะไปเศร้าหมองมาทาไมในโลกนี้มันก็มีทุกอย่างนะอุปสรรคน า, นาสารพัฒเรื่องราวนนท์ น, น, น, น, น, น, นี่ไม่ต้องกลัวเบิกบานยิ้มแย้ ม, ย ม, ยมไว้เรื่อยใจดีสู้เสือ นะเสือใหญ่เสือเล็กก็ไม่ต้องหกลัวมันอ่านะนะเสือใหญ่ขนาดไหนบางทีเราสู้มันไม่ได้เราก็วิ่งนหนีไงยากอะไรอ่านะเสือมันใหญ่มากๆแล้วก็ถอยรู้จั ก, จกหลบรู้จักเคลถ้ามันไม่มีทางยงก็วิ่งหนีนี่มีศิลปะในการวิ่งด้วยนะวิ่งหนีช้างนี่เขาบอกให้วิ่งอนะ สัตว์แฉลบเ ข, เ, ขเข้าหลบกับต้นไม้ดีๆแล้วช้างมันเลียวไม่เก่งไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นอ่าววิ่งนี้เสือต้องวิ่งยังไงวิ่งนี้ช้างวิ่งยังไงต้องรู้มีวิธีนี่มันความฉลาดอ่าอ่าอ่าวิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่นะอ่าเอาละเนี่ยแล้วก็พยายามต้องฉลาดต้องรู้ รู้จักอะไรว่าเนื้อหาสาระของธรรมะท่านสอนเราขนาดไหนถ้ามีฉันทะตัวนําแล้วนะมีใจเบิกบานร่าเริงมีใจยินดีเต็มพยายามเข้าใจอาการของฉันทะจิตใจยินดีจิตใจเบิกบานจิตใจร่าเริงจิตใจพอใจเต็มใจพอใจจิตใจตัวนี้ใจตัวนี้มันมีไหมถ้ามันไม่มีทําให้ม่เต็มก่อนอื่นเลยแล้ววิริยะจะตามมาเพราะฉะนั้นถ้าคนใจดีเบิกบานร่าเริงเห็นงานก็ต้องเข้าใจให้ได้ เห็นการผรรษะอันนี้ก็เข้าใจให้ได้แต่ใจดีไว้เรื่อยๆเข้าใจให้ได้มันก็มีวิริยะมีความเพียรตามมาเสร็จแล้วก็เอาใจใส่ก็คือการเพ่งพินิษเอาใจใส่เพ่งพินิษแล้วก็วินิชใช้วินิชใช้ก็คือวิมังสานั่นแหละไตรตรองตรวจตาคนคิดเอาใจใส่แล้วก็ตรวจตาคนคิดมันก็จะเกิดผลอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกไม่ถูกอันไหนควรจะประมาณเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็อยู่ในลักษณะของเจ้าจิตตะกับวิมังสาไปหมด นอีอธิบาตสีนี้สําคัญมากถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกแม้แต่ตัวแรกฉันท่าตัวแรกก็ปฏิบัติไม่ถูกวิริยะก็ไม่แข็งแรงเห็นไหมพอจิตตะวิมังสาก็มันไม่แข็งแรงแนละอย่าไปหวังเลย อ, อีกสองตัวข้างหลังฉันถ้าเป็นมูลปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเนี่ยมู ล, ลสู่ฉันท้าเป็นมูลตัวฉันท่านี่เป็นมูลแล้วเป็นรากเงา้าชั้นท่านี่เป็นรากเงา้า ต้องเข้าใจให้ชัดเจนเนอัตมาก็คปฏิบัติและมูลสูตรฉันทะเป็นมูลแล้วก็มีเวทนาเป็นตัวยางลงอะไรนี่ไล่มาเลยนะสาคัญสูตรนั้นก็สาคัญนะเอาละวันนี้คิดว่าได้พยายามยาม้าพยายามที่จะไล่เรียงจุดสำคัญพรงนี้ให้พวกเราได้เอาไปปฏิบัติภาคเพียรเราก็ได้ย้ากันปริยัติต้องฟังแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องขยันปฏิบัติ ผลปฏิเวทจึงจะเกิดปฏิเวทคือการแทงทะลุเวทะ์นี่แปลว่าแทงแปลว่าทะลุแทงทะลุรอบสิ้นเลยตรวจตราหมดเกลี้ยงได้ผลมามันครบหรือยังแทงทะลุรอบก็คือยานปัญญานี่แหละเป็นแทงทะลุรอบหรือผลที่เราได้นี่ครบสมบูรณ์แล้วแเราก็ตรวจพ้นตรวจอะไรได้นะเมื่อเรามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทครบครันโดยเฉพาะฉันทะสําคัญมาก ฝึกไปแล้วเราก็จะชำนาญสติปัฏฐานจะชำนาญสมปัฏฐานเองได้ผลของมันตามลําดับสร้างอินทรีย์พล ะ, ะไปเราต้องการคนคนที่จะเจริญคําตอบอยู่ที่คนคําคตอบอยู่ที่คนเรื่องใหญ่อยู่ที่กรรมกับกาละเพราะฉะนั้นถ้ากรรมจเจริญเป็นกุศลกรรมอันจเจริญกาละทั้งหลายก็แม่กาละเนี่ย เทวดานี่กาละยาวแต่รัวความรู้สึกสั้นส่วนนรกนั่นกาละสั้นแต่ความรู้สึกยาวกาละนาทีหนึงวินาทีนึ่งเนี่ยโอ้ยรู้สึกเหมือนกับชั่วโมงี่พวกนรกกาละสั้น แต่ความรู้สึกยาวพวกนรกนี่เมื่อไรมันจะหมดเวลาดโวโทรมานส่วนพวกสวรรค์นี่กาละยาว เ, เพอแพบเดียวเฮ้ยหมดชั่วโมงแล้วโวเนี่ยหมดวันแล้วเเนี่ยโอ้โหสั้นจังพวกสวรรค์เ น, นี่กาละยาวแต่ความรู้สึกสั้ น, นความรู้สึกสั้ น, นมันต่างกันอย่างนั้นจริงๆ เอาให้มันได้กาละของเราก็จะอยู่ไปกับกาละแต่ความรู้สึกมันก็ไม่กาละของวัตถุมันก็โลกหมุนเอกภาพเอกภพมันก็ว่ากันไปเรื่องดวงดาวหมุนมืันก็เป็นไปตามไอ้ที่บวกนี้มันเกิดเรื่องของวัตถุเรื่องของสิ่งที่มันสัมพันธ์กันในเรื่องของวัตจักรมันก็หมุนไปเราก็ไปกับวัตจักรไปกับความหมุนของอะไรแต่ใดไปกับกาละของเราอยู่กับกรรมของเราอะไรกัน พราะกรรมของเราดีกรรมของเราเจริญเจริญแล้วเป็นกุศลเจริญแล้วเราปฏิบัติธรรมเจริญความรู้สึกเราก็เจริญอย่างน้อยทำความรู้สึกให้ของเราเป็นเทวดาไว้ก่อนความรู้สึกเราเมื่อความรู้สึกของเราแม้ได้ไปอยู่ในนรกแต่ความรู้สึกของเราก็เป็นเทวดาและแม้จะมีตัวจริงของความไม่ดีของเราเราก็พยายามมาออก อ, ออกเรื่อยๆให้จริงตามปัญญาตามภูมิที่เราไล่ออกไปมันก็เจริญขึันไปเรื่อยๆเพราะกรรมกับกาละเป็นตัวสำคัญที่เราเองจะต้องเอามาใช้และเราก็จะต้องเป็นคนที่จะเป็นตัวคำตอบของโลกทั้งโลกเลยเป็นตัวคำตอบถ้าเราจะทำได้ก็เพราะว่าคนนี่แหละอาตอมาคนเวลาคนเข้ามาดูงานที่นี่เนี่ย ผลของงานก็คนตื้นเขาก็ดูผลของงานดูผลทางวัตถุดูคนทางองค์ประกอบคนตื่นคนลึกเขาก็จะดูคนพอเขามาสัมผัสคนเท่านั้นแหละเขาจะดูรู้อีสิ่งเหล่านั้นมันง่ายกว่ากันสิ่งองค์ประกอบนอกมันง่ายกว่ากันเพราะคนนี่มันลึกยิ่งคนมีภูมิมาทำมากๆสัมผัสคนแล้วอย่างลึกถึงจิตปัญญาอารมณ์อาการอะไรได้ด้วย นิ่งดังน้อยที่สุดถ้าอารมณ์ของคนนี่ดีจิตดีใช่ไหมจิตเบิกบานผ่องใสคนมาสัมผัสปับ๊บนี่คนตาดีอโอ้โหเลยดูสีหน้าสีตาดูอารมณ์อาการดูกายกรรมวจีกรรมบา้าดูออกเลยพวกนี้เทวดานะปิ๊งเลยซาบซึ้งเลยซนะาบซึ้งเลยชนะราบชรับเลยประทับนานเลย ชราบชรับประทับนานเลยรับรองนะ แ, แต่เราเอาให้จริงสิ่งเหล่านี้จะพิสูจน์ความจริงได้ก็ต่อเมื่อมีความจริงความจริงของอะไรถ้าคนเก่งคนดีคนอะไรพรักพร้อมแล้วอะไรมันสร้างได้สร้างโลกลูกใหม่อยู่ทั้งโลกก็ยังได้เลยคนให้มันดีจริงๆเรอะนี่คนไม่ดีมันทํำลายโลกไม่ใช่สร้างโลกเพราะงั้นไม่ใช่พระเจ้า พวกเรานี่ยเราจะสร้างความเป็นพระเจ้าสร้างโลกนะสร้างโลกอยู่ไหมเลยนี่เรากําลังจะสร้างโลกอยู่ใหมนะเอาให้จริงนะพวกเราก็ได้กคำชักคำชากรรมนานย้ากันม า, น า, นนมาหลายอาจารย์ย้ํากันมาหลายลอย่างอาตมาก็ย้ําด้วยนะตามกาลเวลาเอาละสำหรับวันนี้ทเทศไปแค่นี้ก็พอนะ